ถ้ารู้หลักปฏิบัติแล้วต้อช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้เส้นทางนี้เส้นทางของคนกล้าหาญคนเข้มแข็งต้องอดทนนะเราต้องทนที่แรกก็ทนเรียนให้รู้เรื่องกันรอรู้หลักของการปฏิบัติแล้วอดทนในการทีะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็จะพบว่าผิดแล้วผิดอีก ลงมือปฏิบัติทีไรนะก็ผิดทุกทีเลยแต่ไม่ปฏิบัติไม่ได้ต้องปฏิบัติแต่ทำทีไรก็ผิดทุกทีแล้วเราค่อยๆเรียนไปเรืรู้จักสิ่งที่ผิดและใจก็เข้าใจสิ่งที่ถูกขึ้นมาเวลาความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นก็เกิดการกระทำบังคับกายบังคับใจ พอบังคับกายบังคับใจเสร็จก็เกิดทุกข์อยากอึดอาจจะแน่นนะมันเริ่มมาจากอยากปฏิบัติแต่ถ้าไม่อยากปฏิบัติจห น, นีไปอยู่กับโลกเป็นว่ายตายเกิดไปอยากปฏิบัติก็ามาบังคับกายบังคับใจนี่เพราะว่ายังไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกยังปฏิบัติผิดอยู่ยังบังคับอยู่ งั้นนักปฏิบัตินะร้อยละร้อยแหล ะ, ละถ้าไม่บังคับกายเขาบังคับใจยังพยายามจะดูพยายามจะจ้องพยามสังเกตตรงที่พยายามจะดูก็กลายเป็นเพ่งแนละ้วตรงที่เที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีตัวนั้นจิตจะดิ้นฟุง้งซ่านแต่ไม่ต้องกลัวผิดนะผิดไปก่อนเราภาวนาไป โอ้อย่างนี้ไม่ถูกหรอกใจมันก็เริ่มทํำยังไงจะถูกหาใหม่แล้วทําไปว่าถ้าจะดีนี้ทำด้วสติดีสมาธิดีแยกรูปนามเก่งทําไปช่วงหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่อีกแล้วล่ะก็ไม่ใช่อีกแล้วผิดอีกแล้วมันเชื้อโลภแล้วก็มาบังคับกายบังคับใจมีเท่านั้นเองนักปฏิบัตินะนักปฏิบัตินี่จะสุดโตงมาข้างอาตัตตกิลมฐ า, านุโยก ข้างบังคับตัวเองนะถ้าไม่บังคับเลยก็หลงใจสายไปสายมานะเราไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิดนะผิดแน่นอนแต่รู้หลักให้แม่นแล้กันว่าเราจะไม่สุดโตงไปสองข้างข้างหลงตามใจกิเลสหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปรู้รสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจ แล้วก็ลืมกายลืมใจบัวแต่รู้อะไรรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรู้เรื่องราวที่คิดนึกทางใจไม่รู้อะไรไม่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้รูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้ออกนอกไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้เรื่องราวที่คิดนึกเนี่ยเรียกว่าเป็นการมาสุขาริการุโยก เพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสปโธภะอะไรเนี่ยก็เรียกว่ากามคูณอารมณ์นะส่วนธรร ม, มารมณ์เรื่องราวทางใจคิดอะไรที่เป็นเรื่องเพลิดเพลินบางทีก็คิดเรื่องรูปสวยๆเสียงเพราะๆนะคิดเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสนี่คิดเอาเรียกว่ากามมาธรรมกรมมาธรรมคือเป็นธรรมมารมณ์ที่เป็นกามเนี่ยใจเวลาไม่ได้พน า, านะคนในโลก ไ, ได้พอนาะใจก็หลงกับกามกามที่เป็นวัตถุก็มีกามที่เป็นนามนธรรมก็มีอย่างเรา ค, เคิดอะไรกคิดไะไรเพลินเพลินเคยเป็นไหมคิดเพลิดเพลินไปหลงคิดล้วสบายใจนั่นก็เป็นกามในคนไม่ปฏิบัตินะจิตหลงกับกามหลงออกนอกที่หลวงปู่ดูลว่าจิตออกนอก แทนที่จะรู้ตาเขาไปรู้รูปแทนที่ไปรู้หูนะาไปรู้เสียงแทนที่จะรู้จมูกก็ไปรู้กลิ่นแทนที่จะรู้ลิ้นเขาไปรู้รสแทนที่จะรู้ร่างกายเขาไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวมาสัมผัสร่างกายแทนที่จะรู้ใจตัวเองเขาไปรู้เรื่องราวที่คิดไปรู้ธรรมารมก็จะไม่สามารถเห็นธรรมะได้อารมณ์ทั้งหลายนั้นมันของข้างนอก ไม่สามารถย้อนมาเรียนรู้ตัวเองได้ทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยอยากจะรู้จักตัวเองก็พยายามบังคับพยายามบังคับไม่ให้ไปทางตาหูจมูกลิ้นไกาไม่ให้ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งก็เรียกว่าบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดำออกนอกเคยชินที่ออกนอกบังคับไม่ให้มันออกข้างนอกใจก็จะตื่เครียด คิดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องสัมรวมระวังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะควบคุมตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจการครวบคุมกายวาจาใจเป็นเรื่องดีไหมดีแต่เป็นไปเพื่อบรรลุมรักผลไหมไม่เป็นเป็นไปเพื่อสุขติไม่เป็นไปเพื่อบรรลุมรักผลแต่การเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะั้นถึงจะเป็นทางไปมรรคผลนิพพาน นี่คนส่วนใหญ่พอลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่ได้สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ไมันจะคอยควบคุมกายคอยควบคุมใจอย่างถ้าหลวงพ่อบอกให้พวกเราปฏิบัติเนี่ยพวกเราจะคุมทันทีเลยนะทดลองนะอ้าวต่อไปนี้กําหนดลมหายใจปฏิบัติไปลงมือปฏิบัติได้แนละ้วเห็นไหมทางร่างกายไม่ค่อยขยับพรฟังมาหลายรอบแนละ้วแต่ใจขยับดูออกไหมใจทํา เอาซะหน่อยนไม่ไม่ทำได้ไหมไม่ทําไม่ได้นะต้องทํำทำแล้วถูกหรือผิดผิดแต่ไม่ทําไม่ได้ต้องทำนะเพราะต้องเป็นทางผ่านมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเรียนจากสิ่งที่ผิดไปนี่พอเรารู้ว่าเราไปบังคับนใจเขาจะแน่นมันมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งนะชื่อวัฏ ต, ตะไตรวัฏกิเลสกรรมวิบาก อันนี้ที่ทำให้วัตจักหมุนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบสิ้นกิเลสกรรมวิบากเรามีกิเลสคือเราอยากปฏิบัติเกิดการกระทํากรรมคือการบังคับกายบังคับใจเกิดวิบากก็ทุกข์ขึ้นมาแ น, น่นอึดัดให้เราเรียนรู้ไปนะถ้าเรารู้ทันตรงที่มันแน่นอย่าไปคิดว่ามันจะหายตรงที่มันอึนอดัดที่มาเป็นวิบากไม่หายหรอก ตรงที่เราบังคับตัวเองนีถ้ารู้ตรงที่บังคับนะตอนที่เริ่มบังคับมันก็อึดอัดนิดหน่อยละถ้าบังคับเยอะๆก็อึดอัดเยอะนะตรงที้เบังคับเนี่ยความทุกข์ตามมาทันทีละอึดอัดทันทีละตรงนี้ก็ยังไม่ทันถ้าจะทันต้องดูทันตั้งแต่กิเลสอยากปฏิบัติเกิดขึ้นรู้ว่าอยากนะเมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยละพออยากปฏิบัติรู้ว่าอยากพอรู้ทันความอยากก็ดับ ปรดับแล้วก็รู้สึกตัวอยู่ดูกายทำงานดูใจทำงานเราต้องมาหัดดูให้เป็นธรรมดาธรรมดานะธรรมดาที่สุดดีที่สุดมีความลับอันนึงก็คือที่หลวงพ่อสอนพวกเราหันแยกขันแยกขันนะในความเป็นจริงขันมันแยกกันอยู่แล้วขันมันแยกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเองไปรวบมันเข้ามาคนทั่วๆไปเวลาเขาหลงหลงนะจิตมันหลงตามความคิดไป มัไปรวมเข้ากับความคิดนึกปรุงแต่งไปรวมกับสมมุติบัญญัตินะแต่ว่าถ้าเวลาที่มันไม่ได้หลงไปมันอยู่ธรรมดาจริงๆนะใจที่เป็นธรรมดาจริงๆนะขันมันแย่องอยู่แล้วนะกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจนะต่างคนต่างทํางานนะไม่เกี่ยวกันหรอกนี่อาศัยการหมายรู้ผิดๆนะเรียกว่าสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดๆนะหมายรู้ผิดห ม, มายรู้ว่าร่างกายจิตใจนี้ เป็นของเที icamente, life life life life life mm ่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเรียกว่าหมายรู้ผิดผิดอาศัยการหมายรู้ผิดผิดทำให้เกิดการคิดผิดผิดคิดผิดผิดเรียกว่าจิตตวิปลาสพอคิดผิดผิดนก็คิดว่ามันมีเราจริงๆรมันก็เกิดทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงจริงทีแรกมันก็หมายรู้ผิดผิดก่อนแทนที่จะหมายรู้ขันแต่ละขันตามความเป็นจริงว่าขันแต่ละขันแสดงตรลักษณ์ ไปหมายรู้ในภาพรวมเรามองเวลามองขันนะเราไม่สามารถมองแบบแยกได้คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนะเวลาดูขันนะมันจะดูแยกเป็นส่วนๆไม่เป็นจะดูว่าเนี่ยเป็นเราเป็นเรานี่ไเรียกว่าหมายรู้ผิดหมายรู้ว่ามีตัวมีตนนะพอหมายรู้ผิดนะเวลาคิดอะไรมันก็เป็นเราคิดตลอดใช่มมีมีคำว่าเราเกิดขึ้นในใจหหรือบางคนเป็นคาว่ากูมีไหม ถ้าโมโหเข้ามาก็กูใช่ไหมันรดาก็เรามีดิชันไหมไม่มีอะดิชันอย่างโน้นดิฉันนี้ทั้งหมดไม่มีเนาะมีเราอย่างงน้นเราอย่างนี้นะโมโหเข้ามาก็กูอย่างงน้นกูอย่างนี้ข้าพเจ้าอย่าข้าพเจ้าอย่างนี้ไม่มีเราจะใช้คําที่เบสิกที่สุดเลยเวลาใจมันไม่มีมัรยาคุยกับตัวเองไม่มีมันยาคุยกับคนอื่นมีมันยา พอหมายรู้ผิดนะหมายรู้ว่าไอ้ ก, ก้อนนี้คือตัวเราเวลาคิดนะั้นก็เป็นเราคิดเราอย่างโน่นเราอย่างนี้นะทั้งวันเลยพอเรามากๆเข้านะก็เชื่ออย่างแน่นแฟ้นเลยเกิดความเชื่อความเชื่อมั่นนะมีทิฏฐิมีความเห็นอย่างแน่นแฟน้นว่าเรามีอยู่จริงๆนะเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นนะหมายรู้ถูกเสียก่อนพอหมายรู้ถูกแล้วมันก็คิดถูกนะคิดถูก ต่อมันก็เกิดความเห็นถูกงั้นจุดที่ตั้งต้นของการปฏิบัตินัมาหมายรู้ให้ถูกก่อนมาหมายรู้กายมาหมายรู้ร่างกายด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วอย่างลบกลดหลงด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายรู้จิตใจที่หมุนเวียนไปทางตะวันทั้ง6เดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตานะ วิ่งที่หูจมูกลิ้นกายใจด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่แหละพยายามปฏิบัตินะทำวิปัสสนาเนี่ยต้องอาศัยสัญญาแต่สัญญาตัวนี้ต้องเป็นสัญญาที่ถูกนะเป็นอนิจจสัญญาหมายรู้ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์สัญญาหมายรู้ด้วยความบีบคั้นเป็นอนัตตสัญญาหมายรู้ด้วยความไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่อยู่ในอำนาจนะอาศัยการหมายรู้นะไม่ใช่คิดนะคิดเป็นตัววิตก นี่แค่หมายรู้แค่รู้สึกแค่รู้สึกแค่รู้สึกงานต้องมาหัดนะคนส่วนใหญ่เนี่ยจิตมันจะเข้าไปรวมกับอารมณ์พระจิตรวมกับอารมณ์นะเรามันเกิดไปรวบเอาขันทั้งหมดมาเป็นตัวเราเป็นของเราก็ราะมีตัวเราขึ้นมาต่อไปก็คิดผิดคิดอะไรก็มีเราคิดทําอะไรก็เราทําเราพูดเราอยู่โน้นเราอย่างนี้ทั้งวันนะก็มีเราก็มีเขาน แยกเราแยกเขาขึ้นมาแนะ้ถ้าไม่มีเราไม่มีเขานะพอมีเราก็มีเขาขึ้นมาพอมีเรามีเขาขึ้นมาเนะขาวนี้เริ่มปะทะกันแนละเริ่มปะทะกันนะกระทบกระทั่งกันแย่งชิงผลประโยชน์กันบ้างความคิดเห็นขัดแย้งกันบ้างการทะเลาะวิวาทก็เกิดขึ้นนะการหยิบฉวยสตร์อาวุธเข้าทำร้ายกันก็นกเกิดขึ้นพระเจ้าสอนอย่างนี้นะ สุดท้ายก็ไปอบยัยงั้นพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วมาหมายรู้ให้เป็นมาหมายรู้ให้ถูกมาดูร่างกายเห็นร่างกายกระจเป็นคนละอันร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาดูความสุขความทุกข์ที่เกิดในกายในใจดูให้ถูกไม่ใช่ดูแค่ว่ามีความสุขมีความทุกข์จะดูให้เห็นสุขทุกข์ทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาค่อยๆดู แรกๆจิตยังไม่เคยดูจิตไม่ยอมดูหรอกบางคนถ้าไม่เคยจเจริญวิปัสสนามา ก, ก่อนในชาติก่อนก่อนมันจะดูได้แต่กายดูได้แต่ความรู้สึกดูได้แต่ความปรุงดีปรุงชั่วดูจิตเฉยๆแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายซ่อนอยู่ในความสุขทุกข์ซ่อนอยู่ในความปรุงดีปรุงชั่วซ่อนอยู่ในจิตจะไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นนะรู้สึกตัวขึ้นมาแนละ้วเห็นขันแยกเป็นส่วน แต่ว่ามันเห็นขันเป็นขันเห็นร่างกายมันก็คือร่างกายเห็นอะไรเห็นมือเห็นมือเห็นแขนเห็นนี่อะไรสายหน้าใครสายเราสายเราสายหน้าเราพยักหน้าอย่างนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนานะต้องเห็นใจรักเห็นใ้ตัวที่กระดุกระดิกนี่ไม่ใช่ตัวเราซักหน่อยเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุ ถ, ถ้ามันไม่เห็นทำไงถ้าแม่ไม่เห็นคิดนํำมาก่อนกระตุ้นหัดคิดหัดคิดให้เห็นว่าหัดคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน things, ัตตาหัดคิดว่าความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหัดคิดเรื่องว่าความปรุงดีปรุงชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหัดคิดเรื่องจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ามันเคยหัดคิดก่อนถ้าบางคนนะ หัดคิดเปสภาพหนึ่งต่อไปมันค่อยไปเห็นเองโดยที่ไม่ได้เจตนาอาศัยการตรึกการคิดนะน้อมนำจงกระทั่งสัญญาเกิดนะมีการหมายรู้ได้โดยที่ไม่ได้ต้องคิดนะเวลานึกถึงร่างกายทีแรกต้องคอยคิดก่อนเอไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถนะุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ตรงนี้ต้องแยกเป็นก่อนนะต้องแยกจิตออกมาเป็นผู้รู้ก่อนแล้วนะเห็นร่างกายถูกรู้ไม่ใช่เราหรอก นี่คิดอย่างนี้ได้แต่ถ้าจิตยังเกาะอยู่กับขันนะป่วยการคิดฟุ้งซ่านเฉยๆเงี่นต้องฝึกจิตให้ถอนตัวขึ้นมาก่อนจิตถอนตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนมันเดินปัญญาเลยเห็นไตรลักษณ์เลยอันนี้ห้ามคิดนะให้ดูไตรลักษณ์ไปเลยนี่บางคนพอจิตถอนตัวมาเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยไม่ดูไตรลักษณ์หรอกดูแต่รูปดูแต่นมามธรรมแต่ละตัวแต่ตัวดูรูปประธรรมดูนมามธรรมแต่ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ ถ้าอย่างนั้นอาศัยคิดนำํำนะอาศัยการตรึกไปเรื่อยพอตรึกไปตรึกไปจิตชักจะคุ้นชินนะมันจะมีการหมายรู้ขึ้นมาต่อไปมันจะหมายรู้ได้เองนะพอเห็นนึกถึงร่างกายสติะระลึกร่างกายพุ๊บมันจะรู้สึกได้เองเลยมันหมายขึ้นมาเองเลยมไม่ใช่ตัวเราเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเหมือนเปลือกอะไรสึกเปลือกหนึ่งเป็นโพรงเป็นถ้าหรืออัดหมายรู้ความสุขความทุกข์นะที่ได้ ก, ก็เป็นเราสุขเราทุกข์ มาหมายรู้ว่าความสุขมันอยู่ต่างหากเนี่ยนะมันไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตหรอกนะมันมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วมันก็ไม่เที่ยงด้วยนะอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วมันบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุก็ไม่ได้นะอะไรทำอะไรไม่ได้เสียเนี่คยค่อยๆ ค, ค, คิดอย่างนี้นะคิดนำเป็นวิตกตรงนี้ไม่เป็นวิปัสสนาแต่มันกระตุ้นสัญญาในที่สุดนะจิตมันจะมีความหมายรู้ มันจะจําได้หมายรู้นะว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนะ็นหน้าตาเวทนาคือความสุขทุกข์สังขารคือความปรุงดีปรูชั่ววิญญาณคือตัวจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจร่วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกขนะ์เป็นหน้าตามันจะหมายรู้ได้เองตรงที่มันหมายรู้ได้เองนะมันจะเริ่มเห็นนะตรงความจริงแล้วนะสัญญาไม่วิปลาสกันเราอาศัยการปรับสัญญานะ กระทั่งในสมาธินะเวลาเดินวิปัสสนาในสมาธนะิภาษาริบุตรท่านเคยสอนว่าถ้าเป็นสัญญาสมาบัติเป็นสมาธิที่ยังมีสัญญาอยู่นะถึงจะทำวิปัสสนาได้ถ้าสิ้นสัญญาไปแล้วเนี้ยทำวิปัสสนาไม่ได้นีในชานที่8นมันเป็นเนวะสัญญาคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เกือบจะหมดสัญญานะอันเนี้ยจะทำวิปัสสนาได้เฉพาะอันที่หนึ่ง เป็นพระญาิญาบุคคลที่สองพระญาติบุคคลผู้นั้นนะชำนาญในการรู้จิตถึงไปทำวิปัสสนาในในวสัญญาได้เพราะมีสัญญาอยู่นีดเดียวเกือบจะหมายอะไรไม่ได้แล้วนะงั้นเาใส่การหมายรู้ที่ถูกนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นตรงความเป็นจริงใจมันจะเข้าใจความเป็นจริงเกิดความเห็นถูกขึ้นมาเป็นตัวปัญญานะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะจริงๆไม่ยากหรอก นี่หลวงพ่อสอนละเอียดมากไปนิดหน่อยให้ฟังเล่นๆไว้ก็ได้นะนี่ธรรมมาของพระพุทธเจ้าไม่ไม่มีเทศให้ฟังเลยนานๆไปก็หายไปหมดนะคิดว่าธรรมามีนิดๆหน่อยๆที่แท้ละเอียดลึกซึ้งประณีตมากเลยนี่ถ้าเรายังรู้ไม่เห็นนะรู้เห็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรู้สึกตัวให้เป็นรู้สึกตัวเป็นแล้วเห็นกายเป็นทํางานเห็นใจมันทำงานนี่พูดภาษา ง, ง, ง่ายๆแค่นี้เองอะ แต่พอแจกแจงละเอียดเข้าไปนั้นมันเริ่มตั้งแต่จะต้องไปหมายรู้ยังไงนะหมายรู้แล้วเกิดการคิดถูกนะหมายรู้ผิดแนละ้วมันก็คิดผิดเกิดความเห็นผิดหมายรู้ถูกก็คิดถูกนะเกิดความเห็นถูกเกิดสมามรถทิฏฐิขึ้นมาสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเกิดด้วยลักษณะเดียวกันนะแต่กลับข้างกันนะเห็นจิตทางานได้เงองยังจิตไปคิด เห็นไหมมัคิดได้เองนะทำไงจิตจะไม่คิดห้ามทำถ้าทำแล้วผิดเลยนะถ้าจะไม่ให้จิตคิดนะมีอยู่ทางเดียวคือดับจิตลงไปไปเป็นพรมลูกฟักซะไม่มีจิตที่จะไม่คิดหรอกถ้ามีจิตก็คิดอีกนะงั้นบางคนเนะข้าใจว่าต้องไม่คิดถึงจะบรรลุพระอรหันตะ์ฝึกไปฝึกมาเป็นพรมลูกฟักหมความรู้สึก ตัวแข็งไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งน้ำพรหมลูกฟักในอาศัญญาสตตาเป็นภูมิธรรมอันหนึ่งนะที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ไปเกิดเสียเวลาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยดับความรู้สึกไปเฉยๆพระโพธิสัตว์จะไม่ไปเกิดในอสศัญญาสตตาพรหมลูกฟักมีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจเหมือนต้นไม้อะไรอย่างนี้ พระโพธิสัตว์จะไม่ไปเกิดในสุทาวาสสุทาวาสเป็นที่เกิดของพระอนาคามีและจะไม่ได้กลับมาอีกและวงั้นถ้าโพธิสัตว์หลุดไปสุทาวาสไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นโพธิสัตว์แล้วงั้นเราอย่าไปให้จิตนิ่งจิตเฉยอยู่นะอย่าให้จิตสงบแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวเงียบๆนะใช้ไม่ได้หรอกพยายามจิตมันมีหน้าที่คิดให้มันคิดไปแต่มันคิดไปแล้วนะเกิดสภาวะ เกิดส <soc, S 2> right? so ุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลรวมไปเรื่อยๆก็จะเห็นในสุขทุกข์กุศลอกุศลเกิดแล้วก็ดับมีแต่ของไม่เที่ยงสุขทุกข์กุศลอกุศลตั้งอยู่ก็อยู่ได้ชั่วคราวถูกบีบคั้นให้สลายตัวเรื่องเป็นทุกข์สุขทุกข์กุศลอกุศลนะเราสั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตาค่อยๆหัดรู้หัดดูนะบางคนทําวิปัสสนาธรรมชาติก่อนพอจิตตั้งมั่นขันแยกปุ๊บ ก็หมายรู้ถูกเลยเห็นถูกหมายรู้ถูกไปเลยบางคนไม่เป็นจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นขันอยู่กันเห็นแต่ร่างกายเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจิตเป็นคนดูนะขนาดจิตเป็นคนดูได้นะส่วนถ้าคุณภาพต่ำกว่านั้นคือจิตไหลไปอยู่ที่ท้องพวกนี้ใช้ไม่ได้เลยถ้าจิตแยกออกมาเป็นคนดูยึงเห็นแต่ท้องไม่เห็นไตรลักษณ์ใช้ไม่ได้เป็นการเพ่งท้องดูไปเรื่อยจิตจะถลําว่าไปเกาะกลายเป็นเพ่ง ง่ายๆนะไม่มีอะไรยากหรอกพอพูดขั้นละเอียดมันก็ประณีตมากรายละเอียดเยอะถ้าหัดธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากมีความสุขความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความสุขหายไปรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันนะความทุกข์หายไปรู้ทันฝึกไปกันลภโกรดลงเกิดขึ้นกนะ็รู้ลภโกรดลงหายไปก็รู้ฝึกนะของเราไปอย่างเนี้ย ดูไปด้วยดไปมันก็เห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างบังคับไม่ได้เลยเห็นร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้นะร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สุดท้ายไม่เห็นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายไม่เที่ยงตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราร่างกายมีความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลานะอย่าคยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจแต่อย่าเพ่งถ้าเพ่งแนละ้วจะไม่เกิดปัญญา จิตจะนิ่งนิ่งถ้าไม่เพ่งเลยแค่รู้สึกแค่รู้สึกดูไปใจรักมันมีอยู่แล้วนะร่างกายมันแสดงใจรักอยู่แล้วจิตใจแสดงใจรักอยู่แล้วไม่ใช่ว่าต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นนี่เพียงแต่เราไม่รู้จักมองเท่านั้นเองถ้าหันมองสะบ้างยิ้มซิยิ้ ม, มทุกคนยิ้มหวานหวานเห็นตัวอะไรยิ้มไหมเห็นตัวอะไรพยักหน้าไหมเนี่ยแค่แค่นั้นอ่ะเห็นหมมันไม่มีเราหรอกนะ ง่ายง่ายง่ายจะตายไปน่าไปกินข้าวไปนี่หมดเลยครับไม่ยากหรอกนะจริงไม่ยากอะไรหรอก